พิจารณาความตายถ้านักภาวนารู้เห็นความตายของตัวเองน่าจะเอามรณานุสติมาพิจารณาเป็นหลักเพราะว่าเมื่อมันรู้เห็นความตายแล้วมันได้หลายกรรมฐานโมรณานุสติกรรมฐานอสุภะกรรมฐานธาตุกรรมฐานอัธิกกรรมฐานและลงผลสุดท้ายมันจะมองเห็นอนัตตาความไม่มีตัวมีตน พอจิตมารู้ว่ากายนี้ก็มีแต่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟในเล่าสัตว์บุคคลโตตนเราเขามีที่ไหนถ้าผ่านความรู้เห็นอย่างนี้จะไม่มีความสงสัยคล้องใจในธรรมะคำสอนของพระพุทธองค์เลยเวลาคนตายคนธรรมดาสามัญตายไม่ได้ปฏิบัติสมาธิเมื่อวิญญาณจิตออกจากร่างไปจะมีร่างกายออกไปด้วยแต่ถ้าอยู่ในสมาธิ จะมีแต่ดวงใสๆ ส, สว่างลอยออกไปอันนี้ก็ไม่เคยมีใครพูดนักเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยพอเขาพิจารณาพระไตรลักษณ์อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาพอพิจารณาไปพิจารณาไปจิตมันรวมแล้วหมุนติ้วติวติววูบลงไปนิ่งปับ๊บอันนั้นมันก็ยังไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนากรรมฐานเกิดได้สองช่วง ช่วงหนึ่งพิจารณาแล้วจิตมันหมุนลงไปจนกระทั่งถึงอัปปนาสมาธิพอถอนออกมาพอสัมพันธ์กับร่างกายรู้สึกว่ามีกายปับ๊บมันจะเกิดความคิดขึ้นมาความคิดอันนั้นไม่ใช่ความคิดที่เรายึดเป็นหลักพิจารณาตั้งแต่เบื้องต้นมันจะเป็นความคิดใหม่ซึ่งมันอาจจะกระโดดไปโน่นกระโดดไปนี่มันไม่เป็นระเบียบแบบแผน แล้วมันเป็นวิปัสนาได้อย่างไรในเมื่อมันกระโดดไปมันเป็นวิปัสนาได้เพราะจิตมีสติตามรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นดับไปแล้วมันจะรู้สึกว่ามันมาจ่ออยู่ที่จุดที่เกิดอารมณ์เท่านั้นมันไม่วิ่งไปตามอารมณ์เมื่อมันมาจ่ออยู่ที่เกิดอารมณ์เนี่ยมันก็เป็นจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานถ้ามันวิ่งไปวิจัยเรื่องอารมณ์ก็เป็นธรรมานุปัสนาสติปัฏฐาน ในเมื่อจิตมองเห็นความตายชัดเจนในขณะที่รู้เห็นอยู่มันก็แค่เฉยอยู่พอจิตถอนจากสมาธิพอรู้สึกว่ามีกายจะเกิดความรู้ขึ้นมาบางทีก็มีคำถามนี่หรอคือการตายใช่แล้วแล้วจิตจะอธิบายไปเองโดยไม่มีสัญญาเจตนาแต่เป็นไปเองโดยอัตโนมัติเรียกว่าภาวนาเมายปัญญา